พ่อค้าผิดศีลธรรมทำไมร่ำรวยถามทำไมคนค้าขายสินค้าที่ผิดศีลธรรมจึงร่ำรวยก่อนอื่นต้องมองว่าการค้าขายเริ่มต้นขึ้นจากความต้องการซื้อเมื่อมีความต้องการซื้อย่อมมีผู้เสนอตัวเข้ามาหยิบยื่นสินค้าให้ในโลกนี้กิเลสของคนผลักดันให้อยากซื้ออะไร ขอให้มองและตรองตามจริงก่อนจะเห็นว่าเครื่องของอันเป็นไปในทางอบายมุกทั้งเล่ายานารีเกมการพนันล้วนเป็นที่ต้องการอันดับหนึ่งดังนั้นใครครองตลาดได้ก่อนได้ส่วนแบ่งมากย่อมมีไรายได้มากเป็นเงาตามตัวและย่อมมีอิทธิพลเหนือธุรกิจอื่นซึ่งชาวโลกอยากซื้อหาน้อยกว่าด้วย ความฉลาดเกี่ยวกับกลไกการตลาดวิธีผลักดันด้วยภาพลักษณ์น่าประทับใจผ่านระบบโฆษณาอันล้ำลึกล้วนเป็นตัวแปรให้สินค้าขายดิบขายดียิ่งกว่าเทน้ำเทท่ามองในแง่ที่จับต้องได้เช่นนั้นแล้วลองหันมามองในแง่ที่จับต้องไม่ได้บ้างการค้าขายสินค้าผิดศิลธรรมไม่ใช่เหตุแห่งความวิบัติของทรัพย์สินเงินทองโดยตรงเพราะฉะนั้น ทรัพย์ที่ได้มาถ้าเก็บสะสมไว้ก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยลึกลับมากระทำให้พินาศลงกรรมอันเป็นเหตุแห่งความวิบัติของทรัพย์สินเงินทองโดยตรงคือการลักขโมยความคดโกงความอากตันยูความตรณีถีเหนียวและความติดใจการพนัน ถ้าคุณลองสำรวจคุณสมบัตินักค้าของผิดศิลธรรมรายใดและไม่พบกรรมอันนำไปสู่ความวิบัติแห่งทรัพย์ดังกล่าวมาก็อย่าเพิ่งไปอยากให้เขาวิบัติเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ค้าของผิดศิลธรรมรายอื่นเหมือนกับที่คุณไม่ชอบใครและจะไปแช่งให้เขาล่มจมตามใจชอบไม่ได้กรรมของเขาเองช่วยเลี้ยงดูสมบัติของเขาอยู่และกรรมของเขาเอง อาจช่วยกวาดล้างสมบัติของเขาเมื่อถึงเวลาไปเองลองดูแง่ดีของเขาบ้างดีกว่าส่องให้เห็นว่าเขาเคยบริจาคอะไรให้สังคมบ้างไหมเขามีใจคิดสละไหมเขาค้าขายซื้อตรงกับลูกค้าไหมเขาห่างจากการพนันไหมหากเขามีกรรมที่เป็นบวกอยู่มากคุณก็ต้องให้เครดิตเขาว่า เป็นผู้ฉลาดในกองบุญอยู่บ้างและเห็นตามจริงว่าเขาได้ในสิ่งที่สมควรจะได้แล้วเจ้าของธุรกิจใหญ่นั้นมักอยู่ในฐานะเจ้าในายใหญ่ซึ่งมีผลกระทบกับหมู่คนจำนวนมากไปด้วยและความเป็นในายใหญ่ก็รวมกรรมหลากหลายไว้ในหนึ่งเดียวเช่นความเมตตาต่อลูกน้องความเอื้ออาทรต่อสังคม หากศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ร่ำรวยคุณจะพบว่าแต่ละคนต้องให้อะไรคนอื่นมามากเขาจึงมีเส้นสายมีคนอยากตอบแทนและมีช่องทางมากกว่าคู่แข่งอื่นๆการให้ของคนคนหนึ่งนั้นมีเขารู้อยู่แก่ใจว่าให้แบบหวังผลให้ด้วยความเคยชินหรือให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์อย่างแท้จริง หากคุณไม่อาจอย่างทราบน้ำใจของใครได้ก็ขอให้ดูผลว่าเขาประกอบกิจการได้งอกเงยยังย่งยืนเพียงใดอยัดสู้คู่แข่งได้เหนียวแน่นยาวนานแค่ไหนนั่นพอเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่ากรรมของเขาไม่อดีตชาติก็ปัจจุบันชาติที่กำลังอุดหนุนค้ำชูอยู่และคุณจะไม่มีวันหาคำอธิบายที่น่าฟังได้ว่าทาไมชะตาของแต่และคน จึงคงเส้นคงวาบ้างผันผว น, นขึ้นขึ้นลงๆรวดเร็วบ้างส่วนผลกรรมจากการค้าขายสิ่งผิดศีลธรรมนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นไปในทางไม่ดีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาวพุทธไม่พึงกระทําอาชีพห้าประการคือค้าอาวุธค้าขายสัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายน้ําเมาค้าขายยาพิษ และเหตุที่ไม่ควรค้าสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับก็คงเป็นเพราะมีแนวโน้มจะได้ไปอบายมากกว่าค้าขายสิ่งอื่นนั่นเอง